ไม่ควรครบมิรชั่วไม่ควรเกลือกลัวคนเลวทรามพึงพยายามคบเพื่อนที่ดีพึงคบคนที่เป็นยอดคนพุทธภาษิตว่าดด้วยกัลยาณมิตร ก็อยากจะชวนคุณหมอพูดคุยด <specification. S 1> ้วยเรื But, ่องเกี่ยวกับกัลยาณมิตรนะนะคะเราเนี่ยมักจะบอกกันว่าอคนนั้นคบได้คนนี้คบไม่ได้แต่ดิฉันอยากจะมองอีกมุมหนึ่งนะคะคุณหมอกัลยาณมิตรเนี่ยน่าคบแน่ๆอยู่แล้วแต่คนที่ไม่ใช่กัลยาณมิตรเนี่ยถ้าเราไม่คบเขาเลยแล้วเขาจะไปคบใครล่ะคะ แล้วถ้าเขาไม่ได้โอกาสที่จะคบหาสมาคมกับคนดีๆแล้วเขาจะมีโอกาสดีได้ยังไงล่ะคะครับอันนี้ก็อยากเปิดมุมมองอีกมุมหนึ่งพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณหมอนะคะครับถ้าเราไม่ยอมที่จะเป็นมิตรกับคนชั่วไม่ยอมให้โอกาสคนที่ไม่ดีได้เป็นคนดีแล้วสังคมเราจะไม่มากมายไปด้วยคนไม่ดีหรอกเหรอคะครับคุณหมอคิดยังไงคะในประเด็นนี้ผมว่าอยู่ที่การ แปลความหมายของการครบเนี่ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในความหมายของที่ผู้องค์กล่าวว้ว่าไม่ให้คบคนพานค่ะหรือว่าให้คบบัณฑิตในมงคลสูตรก็ตามี่ะทีะ่พี่ชีนีนาได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับค่ะผมว่าใจว่าคบในที่นี้คือไปปรึกษาหาเรืองรับฟังคําชี้แนะหรือเวลาตัวเองมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ย ก็ไปฟ well> ังคำชี้แนะทัศนะจากผู้ที่ไม่ใช่เป็นบัณฑิตเนี่ยนะค่ะผู้ที่ไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่มีศีลไม่มีธรรมหรือว่าไม่ใช่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยนะเพราะก็จะชี้ไปอีกทางหนึ่งคบผ่านพาไปหาผิดใช่ไหมคะประเภทแบบว่ามีปัญหาอย่างนี้ก็มักจะ ชี้ไปในทางที่ให้เกิดเรื่องเกิดเราอย่างเช่นว่าเออคนนั้นมาแกล้งเราคนนี้มาให้ร้ายเราพอไปปรึกษาคนที่ไม่ใช่มิตรที่เป็นกัลยาณมิตรนะคะอาจจะว่าอุ้ยฆ่ามันเลยเอาคืนหน่อยอะไรเงี้ยอะไรอย่างงี้ยใช่ไหมเอาถาไปเลยอะไรแบบนี้แทงปาไปเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอืซึ่งมันจะหาเรื่องยุ่งเข้ามาในชีวิตของเรามากกว่านี่เรียกว่าเพิ่มปัญหาให้กับชีวิตของเราใช่ครับ เรียก ว, ว่าต้องจองเวนจองกรรมกันต่อไปจะมากกว่าเวนไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวนนะคะคแต่ถ้าเป็นผู้รู้หรือว่าเป็นกัลยะาณมิตรที่เขาเข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมะเนี่ยเขาก็จะชี้ไปในอีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นทางที่เรียกว่ามีเมตตาเป็นพื้นประกอบด้วยกำกับด้วยปัญญาหานเรื่องให้น้อยลงแล้วก็เป็นใจผู้ค ว, วามสงบ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องทําความเข้าใจให้ถูกว่าไม่ใช่เราจะเลือกคบแต่คนดีคแล้วใครไม่ดีเนี่ยไม่คบหาไม่ให้โอกาสซะเลยนะคะการให้โอกาสนั้นกนเป็นเรื่องหนึ่งนะการครบนี่ยผมว่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งการให้โอกาสหรือว่าการที่เราต้องไปเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นพนพาเนี่ยค่ะถ้าเราเกี่ยวข้องถูกเนี่ยเราก็จะเป็นแสงสว่างหรือว่าเป็นที่ให้เขาได้พึ่งพิงอ่หรือว่าเป็นจุดที่เรียกว่าให้ประกายเลย แสงสว่างกับเขาได้มากกว่าค่ะบางทงบางอย่างสมวติเขาเป็นคนไม่ดีมาปรึกษาเราอ่าพฤติกรรมเขาไม่ถูกต้องแต่ว่าการที่เราให้คําแนะนําปรึกษาไปโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคนเราไม่มีใครชั่วร้อยเปอร์ซ็นต ะ, ะต้องมีธาตุของความดีอยู่บค่ะบ้างนะคะไม่มากก็ น, น้อยโอเคค่ะันการที่เราต่อเชื่อให้เขาในสิ่งที่ดีงามเนี่ย มเห็นว่านั่นนะเป็นโอกาสทองของเขาเป็นการทำบุญอีกด้วยซ้าไปค่ะนะก็ตรงนี้เนี่ยเรามีความเชื่อที่อาจจะฝังใจกันมานานปีนะคะว่าใครที่เคยติดคุกต้องโทษ ด, <ม>ด้วยคดีความอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่คนดีเพราะฉะนั้นเวลาออกมาแล้วก็จะถูกตาหน้าจากสังคมแล้วก็จะไม่ได้รับโอกาสที่ดีในชีวิตจากคนรอบข้างอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ถูกใช่ไหมคะครับจริงๆเราน่าจะใช้คาว่าเป็นคนที่เคยไม่ดี จริงๆถ้าเชื่อในความยาวนานของการเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยค่ะเราก็ผ่านชีวิตอย่างนั้นมาแล้วเหมือนกันอย่านึกนะว่าคุณไม่เคอยอะไร<ช>อย่างเงี้ยค่ะเราเองเราก็ต้องผ่านวิบากกรรมอย่างนั้นมาก่อนเหมือนกันหรือว่าแม้แต่เรื่องของความผิดพลาดในอดีตเราก็ต้องเคยทําอย่างนั้นมาบ้างนั้นมันเป็นเรื่องของเราที่มันผ่านไปเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรำนะเราก็จะมองคนคนนั้นในภาพลักษณ์เดิม <c oughs> และที่สำคัญนี่คือว่าเรามักจะมองคนคนนั้นเป็นลักษณะที่ว่าเป็นตัวตน <c oughs> นะเป็นคนแต่ไม่มองลักษณะของความเป็นความนะมองความเป็นคนมองความ <c oughs> เป็นตัวตนซึ่งมันหนักนะค <c oughs> มันหนักแล้วก็เหนื่อยในการที่จะแก้คนเนี่ยนะแต่ในการที่จะแก้ความเนี่ยมันดูสบายกว่าหน่อย <c oughs> <c oughs> เรียกว่าถ้าเรามองเป็นความเช่นความไม่ดีไม่ใช่คนไม่ดี แช่ไหมมองเป็นความชั่วเป็นเพราะว่าเขาถูกครอบงาด้วยคิเลสตัณหาอุปาทานอย่างหนานแน่นผักไสดีบังคับให้เขาต้องทําอย่างนั้นไม่นจะเป็นเพราะว่าจิตใจพื้นเดิมเขาเป็นอย่างนี้โอกาสในการที่จะให้โอกาสที่เขาจะแก้ตัวปลับใจหรือว่าเปลี่ยนจากกระโถนเป็นกระถางซได้เนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้มากค่ะก็เมื่อวันที่เราไปที่กรมราชทันกันนะคะ เราก็ได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมราชธรรมนะคะคทั้งคุณวีรพงษ์ทั้งอาจารย์กำพลนะคะเราได้แลกเปลี่ยนกันในมุมมองที่ว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมองผู้ต้องขังหรือนักโทษเป็นผู้ป่วยทางจิตใจนะคะคเพื่อที่ว่าเจ้าหน้าที่จะได้มีกําลังใจที่จะช่วยเหลือเขาที่จะแก้ไขตัวเองให้เป็นคนดีรตรงนี้คุณหมอมีความเห็นยังไงคะก็ตามธรรมดา ถ้าเราจะมองคนคนนั้นหรือว่าบุคคลผู้นั้นว่าเป็นผู้ป่วยได้เนี่ยเราต้องเลิกเป็นผู้ป่วยก่อนนะถ้า hmm. เราไม่เลิกป่วยเรายังเป็นผู้ป่วยอยู่เราก็จะมองคนอื่นว่าเป็นเหมือนเราะฮะอ๋อ oh, เป็นมุมที่เยี่ยมมากฮะเป็นเหมือนเรานั่นเราต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เป็นปกติก่อน <c oughs> เราจึงจะมองออกว่าอ๋อคนพวกนี้เนี่ยที่เขาผิดปกติไปเ่ยเขาเป็นยังไงค่ะ <c oughs> เช่นเดียวกันว่าเราต้องมองตัวเราออกก่อนว่าตัวเราเนี่ยมันไม่เป็นตัวตนอะไรค่ะเราจึงจะมองคนอื่นออกเช่นเดียวกันว่าเขาก็ไม่ได้เป็นตัวอะไรสิ่งที่บีบคั้นเขาก็เหมือนสิ่งที่บีบคั้นใจเราเหมือนกันอืมนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่เรียกว่าผู้คุมหรือ ว, ว่านายนิรยาบาลทั้งหลดดหายนี่นะค่ะค่ะต้องกลับมาดูตัวเองครับโอ้เยี่ยมมากต้องกลับมาแก้ไขที่ตัวเองค่ะแล้ว โอกาสที่จะไปแก้ไขผู้ต้องขังหรือว่าผู้ต้องขังจะได้รับโอกาสที่ดีเหมือนลงบําบัดน้ําเสียอมันจึงจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงน ะ, ะอย่างที่อาจารย์กำพลเคยว่าเราไม่แค่ออกไปเป็นคนดีเราต้องดีก่อนที่จะออกไปใ ช, ใช่ไหมฮะซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่สําคัญมากเพราะว่าไม่งั้นในแง่ของการเยียวยารักษาเนี่ยมันเป็นไ ป, นปนไม่ได้เหมือนคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเราต้อง รักษาให้ดีพอที่จะปล่อยกลับบ้านใช่ไหมฮะมุมนี้ของคุณหมอดีมากเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยก็มีอาชีพอยู่ในโรงพยาบาลมีหน้าที่ที่จะต้องทําคนป่วยเนี่ยนะคะ<ม>ให้เขาหายป่วยกายก่อนแล้วค่อยให้กลับบ้านได้ครับในขณะที่เจ้าหน้าที่ราชทานเองเนี่ยเขาลืมตรงนี้ไงคะเ้าลืมตรงนี้ว่าเขาจะต้องทําให้ผู้ต้องขังเนี่ยมีสภาวะจิตที่เป็นคนดีพอสมควรก่อนแล้วค่อยปล่อยออกไป ไม่ปล่อยออกไปในขณะที่ยังมีอาการป่วยทางจิตอยู่แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเหมือนกับว่าคุมขังเขาเพื่อเป็นการลงโทษเฉยเฉโดยที่ไม่ได้แก้ไขพฤติกรรมและครั้นพอมีกระบวนการแก้ไขพฤติกรรมเกิดขึ้นจากแนวนโยบายของท่านอธิปดีคนใหม่เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ราชสถานเนี่ยก็ยังมีความสุขว่าเฮ้ยแก้ไม่ได้หรอกคือขาดความมั่นใจที่จะแก้ไขพฤติกรรมของนักโทษเพราะว่าไปมองซะว่า เป็นคนที่ยากเกในการแก้ไขครับก็เลยปล่อยให้หมดกําลังใจยะ ค, ะค่ะที่จะแก้ไขทัศนะที่จะมองผู้อื่นค่ะในลักษณะนี้เนี่ยมันต้องมีความเมตตาเป็นพื้นนะใช่แล้วแล้วต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยหรือว่าคนเราเนี่ยมันมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนได้ค่ะต้องเชื่อตรงนี้ก่อนเลยนะคะคต้องมั่นใจว่ามันเปลี่ยนได้ค่ะ แต่เราก็ต้องมั่นใจเชื่อใจกันว่าคุณมีเครื่องมือที่ดีพอที่จะใช้เปลี่ยนเขาไหมตรงนี้แหละค่ะหัวหใจสําคัญเลยไม่ใช่ว่าเชื่อว่าเปลี่ยนได้แต่ว่าเครื่องมือจะเอาอะไรมาเปลี่ยนมันก็ไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าไม่ค่อยมั่นใจเครื่องมือเพราะว่าเราก็ยังไม่เปลี่ยนตัวเราเองเลยอย่างนี้นะะตรงนี้นี่สําคัญนะคะถ้าเผื่อว่าคนคนึงยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากอย่างหนึ่งไปอีกอย่างนึงได้เนี่ยแล้วเขาจะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นเนี่ยครับดูแล มืดดำมากเลยนะคะดูไม่มีอนาคตเลยเหมือนไม่เคยเลี้ยงลูกด้วยตัวเองครับฝากคนอื่นเลี้ยงตลอดแต่เราก็จะไปเปิดนอตเทอรี่เองอย่างนี้นะคะมันก็จะลำบากและที่สำคัญก็คือว่าการลงมือทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยจำนวนคนมันเยอะใช่ไเยอะมากขึ้นทุกวันด้วย ถ้าเราไม่มีวัตถุประสงค์หรือว่าไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทําจริงๆเนี่ย ส, สิ่งนั้นจะกลายเป็นภาระทันทีใช่ใช่กลายเป็นเวนทันทีเลยคือเป็นเวนที่ต้องเข้าฮะเป็นเข้าเว น, ขว เ, วนเข้าเวนเข้าวเวนเข้ากรรมเนาะใช่ฮ <c oughs> ะเข้าวเวนรับกรรมนะวนกันอยู่อย่างเนี้ฮกลายเป็นว่างานที่เราทําในแผนที่ว่ามันจะเป็นงานที่ทําบุญทํากุศล อย่างของหมอของพยาบาลอย่างนี้เหมือนกันค่ะแล้วไม่แต่ของคุณครูต่างๆเนี่ยนะค่ะกลายเป็นว่าการที่เราต้องไปสอนหนังสือการที่เราต้องไปดูแลคนไข้การที่เราต้องไปดูแลานักโทษอะไรต่างๆคเป็นภาระอพอมันมีปัญหาอะไรขึ้นมามันหนักเกินไปมันมากเกินไปมันมหนีดหนาขึ้ว่ามันกลายเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าซ้ําเติมไปค่ ะ, ะกลายเป็นภาระกลายเป็นงานซึ่งมันก็หมายความว่ามันเป็นแค่อาชีพอาชีพหนึ่งเท่านั้นเองค่ะ เป็นที่มาของทรัพย์สินเงินทองเป็นที่มาของชื่อเสียงเกียรติยศเพื่อเอาไปใช้ในการให้ในปัจจัยสี่แต่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนงานนั้นเนี่ยให้มันเป็นอรรายุทยทรัพย์ภายในของเราได้มันแปลงไม่เป็น น, นั่นเองวันนี้คุณหมอกวาดทั่วเลยนะคะตั้งแต่ระบบโรงพยาบาลมาระบบเรือนจาแล้วไปตบท้ายที่ระบบการศึกษาเลยนะคะ มันเกี่ยวเนื่องกันหมดเหละคก็จริงๆแล้วบุคคลหรือว่าบุคลากรในสามฝ่ายนี้ก็แลดูเหมือนกับว่าจะทำงานในจุดที่ไม่แตกต่างกันนะคะคเพียงแต่ว่าต่างกรรมต่างวาระต่างสถานที่เท่านั้นเเป็นผู้ที่ต้องเปลี่ยนทั้งนั้นแหละฮะค่ะเรียกว่าเป็นคีแมนของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็ว่าได้นะคะครับผ ม, มแผนหนึ่งแผนคุณครูนี่ก็แผนสร้างสร้างอนาคตครับรแผนหมอแผน การจกระขาเนี่ก็นแผนกซ่อมซ่อมกายนะคะซ่อมกายแต่เรือนจำนี่ซ่อมใจนะคะครับผม <c oughs> ค่ะโอเยี่ยมสุดท้ายนะคะเราก็มาสรุปกันว่ามิตรชั่วเนี่ยอาจจะไม่เหมาะที่จะคบหาสมาคมเพื่อให้มาชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่มิตรที่เคยชั่วเนี่ยเขาก็ควรจะได้รับโอกาสที่จะเป็นคนดีของสังคมด้วย ไม่ใช่ว่าจะเป็นที่รังเกียจตลอดไปใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเป็นการให้โอกาสกับชีวิตชีวิตหนึ่งนะฮจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าคนเรามีผิดพลาดเราเองก็เคยผิดพลาดครับผมค่ะเพราะว่าอารมณ์ชั่วที่มันวูบมาเนี่ยบางทีต้องสงสารนะต้องน่าสงสารอะไรบางทีทำดีมาทั้งชีวิตอย่างที่คุณหมอท่านหนึ่งที่อยู่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะค่ะ เป็นอาจารย์แพทย์ที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนดีค่ะแต่ด้วยอารมณ์ชั่วที่มันวูบมาแล้วก็มันพัดชีวิตเขากระเจิงไปนีซึ่งจุดนี้นะครับสำคัญถ้าเกิดว่าเราไม่ให้โอกาสนะครับเราไม่พยายามจะพลิกเราก็จะเรียกว่าจริงจริงแล้วบุคคลเหล่านี้เนี่ยรวมทั้งคนอื่นๆที่เป็นผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือทางร่างกายหรือว่าจิตใจก็แล้วกัน จริงๆแล้วบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนนาบุญของเรานะพี่อิน <ะ S 2> ต้องมองอย่างนั้นเลยนะคะครับเปิดโอกาสให้เราทําความดีถ้าเราไม่มีคนยากคนจนไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีต้องนักเรียนโตมามีปัญญาด้วยตัวเองเนี่ยผมว่าโลกคงจะขาดสีสันไปมากแล้วก็เราคงจะมีโอกาสจะทําความดีได้น้อยลงนะครับนั้นถ้ามีสิ่งเหล่า น, นี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าต้องขอบคุณก็แล้ว เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไงจ<ม>ึงทําให้เกิดเป็นบุญขึ้นมาได้มีสติปัญญาเกิดขึ้นมาได้จากบทเรียนที่เรามองเห็นกันอยู่ที่สําคัญตัวเราเองต้องมีหลักมีจุดยืนที่ชัดเจนนะคะครับผมว่าเราจะคบหากับใครแค่ไหนอย่างไรนะคะแต่การที่เราจะรู้จุดยืนตรงนี้ได้เนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีส่วนเกื้อกูลยังไงคะครับจริงๆแล้วเนี่ย กะะนนัลยาณมิตภายนอกเนี่ยก็เป็นปเหตุแต่ใจที่สําคัญคคนพานข้างนอกก็เป็นบุคคลที่ไม่ควรครบหาหรือว่าขอคําชี้แนะหรือว่าไปเพาะพันุให้เขาขยายอํานาจมากขึ้นแต่สําคัญมากกว่านั้นก็คือว่าคนพานภายในเนี่ย ค, ความพานภายในของเราเนี่แหล ะ, ะเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามดีดมันออกไปจากใจของเราให้ได้นะครับพยายามที่จะคบหาสมาคมกับเขาให้น้อยที่สุดอืมนะครับ กัลยาณมิตรภายในก็ต้องฟื้นฟูให้เขามีกําลังมีความเข้มแข็งขึ้นมาให้มากกัลยาณมิตราาภายในที่มีอุปการะมากที่พรอง์ตัดไว้ก็คือสติสัมปชัญญะนี่นะครับค่ะซึ่งพระองค์กล่าวไว้ว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเปรียบเหมือนกับว่าเป็นพ่อเป็นแม่นะครับของฝ่ายกุศลธรรมเดยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะครบกัลยาณมิตรข้างนอก ข้างในก็ต้องสร้างกัลยาณมิตรข้างในของเราเนี่ยให้เข้มแข็งเราต้องมีกัลยาณมิตรภายในให้เข้มแข็งก่อนนะคะค่ะทํำยังไงล่ะคะก็ต้องเจริญสตินี่แหละครับแต่ถ้าว่าถึงตัวปฏิบัติจริงๆแล้วนะที่เป็นไปเพื่อความออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความหมดทุกข์เนี่ยต้องเน้นลงมาที่การเจริญสติปัพฐาน4ี่